สัมมาทิฏฐิเปรียบเสมือนรากแก้วของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายย่อมมารวมลงในรอยเท้าช้างแห่งเดียวนี้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายธรรมของเราตะทาคตที่สอนให้พุทธบริษัทเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิ ปัญญาความเห็นชอบนี้ทั้งนั้นปัญญาแห่งความเห็นชอบจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญธรรมะหมวดอื่นมีจำนวนมากก็ตามก็ออกมาจากสัมมาทิฏฐินี้เพียงอย่างเดียว ฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ควรปฏิบัติตามนี้ถ้าเริ่มต้นมีความเห็นชอบเป็นหลักยืนตัวได้แล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยเชื่อมโยงไปถึงธรรมหมวดอื่นๆทั้งหมดจะเป็นหมวดของศีลหรือหมวดของสมาธิก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยกันทั้งนั้น การปฏิบัติในทางปัญญาความเห็นชอบนี้เป็นหลักวิธีที่ตรงต่อวิปัสสนาวิปัสสนาญาณจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นวาระสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญในหลักปัญญาความเห็นชอบนี้อย่างชัดเจนสัมมาหมายถึงความชอบธรรมทิฏฐิหมายถึงความเห็น ความเห็นที่ชอบธรรมจะเป็นไปในหลักความเป็นจริงของโลกที่เรียกว่าสัจธรรมคือเรื่องนั้นต้องเป็นไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าทาใดไม่เป็นไปตามไตรลักษณ์ถึงจะมีความชอบใจในธรรมนั้นอยู่ก็ตามก็อย่าได้เชื่อว่าธรรมนั้นเป็นแนวทางที่ตรงต่อมรรคผลนิพพานฉนั้นนักปฏิบัต ต้องฝึกสติปัญญาและเหตุผลของเราให้ดีคือเมื่อเห็นผิดเราก็รู้เห็นถูกเราก็รู้ความเห็นผิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเห็นถูกเป็นเหตุให้เกิดความสุขเราก็จะได้เลือกเอาแต่ความเห็นถูกเพียงอย่างเดียวได้ดังนั้นการที่เราจะรู้จะเห็นความชอบธรรมนี้ได้ เราต้องรู้ต้องเห็นในสติปัญญาเฉพาะตัวของแต่ละคนเรียกได้ว่าเป็นปัญญาเฉพาะตนซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาด้วยปัญญาให้ลงสู่ไตรลักษ์ให้ได้จนกระทั่งใจยอมรับและรู้เห็นในเหตุผลที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นที่ชอบธรรมในที่สุด แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงในความเห็นให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องต่อเนื่องกันไปตามลำดับนั้นเราคงต้องเข้าใจเสียก่อนว่าสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้ใจเราสามารถแยกแยะทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้ได้อย่างชัดเจน เพราะทิฏฐิทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะความเห็นที่ตรงกันข้ามเลยทีเดียวถึงจะเกิดจากใจอย่างเดียวกันก็ตามแต่ความเห็นจะเป็นคนละอย่างกันเหมือนกับสิ่งเดียวด้านหนึ่งจะเป็นสีขาวอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีดำถ้าผู้มีตาดีจะรู้ได้ทันทีว่าอะไรคืออะไร ตาดีหมายถึงตาใจคือปัญญานั่นเองถ้าปัญญามีความฉลาดรอบรู้จะเข้าใจในทิฏฐิทั้งสองนี้ทันทีแต่ตามปกติแล้วใจเราจะมีความเคยชินกับมิจจาทิฏฐิมาตลอดโดยไม่รู้ตัวมีความเห็นผิดอย่างหยาบบ้างมีความเห็นผิดอย่างละเอียดบ้างที่เรียกว่า ความเห็นที่ลอยไปตามกระแสโลกเหมือนกับคนตาบอดลอยอยู่ในสะจึงยากที่จะขึ้นฝั่งได้เป็นความเข้าใจเก่าๆที่เคยหมักมมมกับใจมานานจนกลายเป็นนิสัยฝังใจอย่างเหนียวแน่นเปรียบเหมือนยางเหนียวของรากไม้ยากต่อการแก้ไขให้หลุดไปจากใจเพราะใจได้ยึดมั่นถือมั่นและเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้ว ฉะนั้นความเห็นของใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ในการปฏิบัติแต่ก็ไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้มีความตั้งใจจริงเพราะหลักปฏิบัติเป็นอุบายแก้ความเห็นของใจโดยตรงจุดเริ่มต้นคือต้องเปลี่ยนแปลงในความเห็นของใจเสียใหม่คำว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด มีหลายระดับด้วยกันความเห็นผิดอย่างหยาบเช่นเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทำดีทำชั่วไม่มีผลที่จะได้รับและเห็นว่าในภพหน้าชาติหน้านั้นไม่มีตายไปแล้วไม่ได้เกิดอีกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีเกิดมาในชาติเดียวตายแล้วก็หมดกันไป ในชีวิตที่มีอยู่ต้องการอะไรมีความอยากในสิ่งใดเอาให้สงใจชอบก็แล้วกันความเห็นผิดอย่างนี้จะมีในหมู่ปะทะประมะคือกลุ่มที่มืดมาแล้วและจะมืดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจะโปรดให้กลับใจไม่ได้เลยจึงจำเป็นต้องปล่อยเขาไปตามเส้นทางของเขาไปก่อน ความเห็นที่เป็นมิจฉาอีกอย่างหนึ่งคือหาที่พึ่งนอกพุทธศาสนาเช่นหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ตามต้นไม้ชายเขาเอาหมู่ผีเป็นสารณะที่พึ่งมีการสะดอกเคราะห์ถือเลิกงามยามดีโชคราศีแทนที่จะเชื่อกรรมคือการกระทำของตัวเอง ใครทำกรรมอย่างไรไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปถ้าไม่ยอมรับความจริงจากผลของกรรมที่ตัวเองกระทามาแล้วจะถือว่ามีความเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดังคำว่าเห็นผิดจากทานองคลองธรรมหรือมีความเห็นผิดจากความเป็นจริง ส่วนมิจฉาทิฐิที่ฝังลึกอยู่ในใจและเป็นภัยต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมากนั้นคือการหลงในอัตตาตัวตนเมื่ออัตตาตัวตนอยู่ที่ไหนเราก็มีอยู่ที่นั้น ถ้าเรามีตนก็ต้องมีจึงเรียกว่าตัวเรานั้นเองนี่คือความเห็นผิดอย่างละเอียดธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตลอดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เห็นว่าเป็นตัวเราทั้งหมด ตลอดทรัพย์สินเงินทองกองสมบัติทั้งปวงก็ได้มารวมอยู่ในตัวเรานี้ทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นการแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจึงมาแก้กันที่ใจโดยตรงมิใช่ว่าเรียนมาตามตำรารู้แล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิไปเอง ถ้าเป็นสัมมาก็เป็นสัมมาในทางปริยัติเท่านั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เลือกคัดจัดสรรไว้แล้วเป็นอย่างดีนั้นก็คือสัจธรรมคือหลักแห่งความเป็นจริงที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์นั่นเอง หลักสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงเป็นหลักใหญ่เป็นประธานให้แก่หมวดธรรมทั้งหลายเมื่อความเห็นชอบเกิดขึ้นที่ใจเมื่อไรความเห็นผิดของใจก็หมดไปเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขึ้นมาเมื่อไรความมืดก็หายไปทันทีเมื่อนั้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมองเห็นความสำคัญจึงได้ยกเป็นข้อแรกของมัสมีองแปลประวัติย่อพระอาจารย์ทูลขิปปปัญโยสถานะเดิมนายทูล น, นามสกุล น, นนลือชา เกิดวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2478ที่บ้านหนองค้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบิดาชื่อพ่ออุทธามารดาชื่อแม่จันนนลือชาพุทธศักราช2485 อพยพมาอยู่บ้านหนองแวงอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีขณะนั้นอายุ7ปีเข้าโรงเรียนอายุ8ปีจบป .4 พุทธศักราช2492ออกโรงเรียนแล้วบวชเป็นสามเณร2ปีแล้วศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทํานา อายุยี่สิบปีบวชเป็นพระมหานิกายจำพรรษาอยู่ที่วัดชัยนาทวรารามอำเภอชัยยวานจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2500ัสึกออกไปทำงานเป็นสมุบบัญชีโรงน้ำตาลหนึ่งปีกว่าจึงได้ลาออกจากงานพุทธศักราช2501หนึ่ง และพุทธศักราช2502ทำสวนอ้อยมีที่ดิน600ไร่เพื่อส่งโรงน้ำตาลพุทธศักราช2503กระแสะโลกดูดพุทธศักราช2504ออกอุปสมบท ที่วัดโพธิสมพรอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปปัชฌาพระสิริสารสุทีปัจจุบันคือพระอุดมญาณโมรีวัดโพธิสมพรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระจันโทปมาจารย์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วออกไปทุดงตามภาคต่างๆทั่วประเทศไทยพุทธศักราช 2,510 ได้เข้าถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนพุทธศักราช 2,526 และพุทธศักราช 2,527 หลวงปู่ขาวมรณภาพงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวพุทธศักราช 2,528 ออกมาสร้างวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำ้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช 2,533 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาสิบสองสิงหาคมสอง7ห้าสเจ็ดได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนามว่าพระปัญญาพิสารเทระเดี๋ยวเราสวดมนต์กันครับที่ฟังไปก็เป็น ของหลวงพ่อทูลกิปปะปัญโยก็ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มุ่งเน้นการสอนในทางของสัมมาทิฏฐิตรงตรง